มือสูนั้นเก้ามือสูน่ะเข้าไปถวายกับพระเจ้าเจยอยพระเจ้าเจยอยแ จ, จ, จ้งในนือสูนี้นก็ตกใจก็จึงปรึกษาคุณนางทั้งปวงทีเดียวละ่ะตามือสือนี่ก็ต้องว่าละว่าสุมาอี้เป็นขบกก็ปรึกษาคุณนางทั้งปวบอกนี้สุมาอี้เป็นขบกแล้วท่านทั้ ง, งปวงจะเห็นเรื่การไดเฮ้ย ห, หญิงก็ทูลว่าเมื่อครั้งพระเจ้าวี อ, องมาครัพระเจ้าโจโฉ ยังมีพชนอยู่ก็มีได้ ว, วางกับไทยสุมาอี้พระองค์ตรัสอยู่นึงนึงว่าสุมาอีคนนี้ถ้าชุกเลี้ยงให้ขุนแผนเป็นใหญ่ขึ้นเดือใดจะเป็นขบถคิดร้ายต่อแผ่นดินซึ่งสุมาอีคิดอุบายทำเรื่องราวเขาา้าปราบผูพระองค์ขอไ ป, ไปอยู่รักษาเมืองเสเหลียงเองนั้นเพราะสุมาอีหวังจะส่้างสมทหารขึ่นเป็นกําลังได้แล้ว ก็จะคิดขับอกเป็นมั่นคงมีหัวหิ้มคนนี้เห็นว่าจริงอองลองอองลองมีเป็นคนในบุญใหญ่อีกคนอองลองเด็กฝันนัก็จริงควับสุมาอี้เป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแล้วก็จะมาในการสงครามเธอได้รบพุ่งมาเป็นอันมากแม้สุมาอี้ตั้งตัวได้แล้วเห็นเราจะทาการขับสง ขอพวงจงเร่งที่อ่านยกฐานไปกําจัดเสียแต่ซูมาอี้ยังอ่อนกําลังอยู่ชนิดจริงจะชอบนี่เป็นคนที่สองหละถ้าจะกล่าวไปแล้วดูว่าจะเป็นปกติอยู่ในบรรดาผูนาน้นางต่างๆมานาประการเดียกันเนี่ยก็พร้อมที่จะหักร้างกันลงไปจนได้เมื่อมีเหตุมีผลมีหนังสือมีเรื่องราวขึ้มาอย่างนี้การก็กล่าวเช่นนี้ พระเจ้าโจโยอยยาวก ร, รัส่์แหงฮูตโตดุดฟังโก้ชอบด้วยมีตกในอุบายขอนเม่งตกในอุบายมาเก็กเลยพระเจ้าโจโยอยสั่งให้จับแจงฐานให้ยกทัพไปทีเดียวโจจิงโจจิงคุณนายผู้ใหญ่พุ่นก็ได้เข้ามาทูลว่าเมื่อพระเจ้าโจผี ถ้าจะมีนาของพระองค์จะสิ้นพระชนนั้นกอนจะสึ้นพระชนนะพระเจ้าโจผีก็ได้ฝากราชการแผ่นดินนี้แก่สุมาอีข้าพเจ้าเห็นว่าสุมาอีคงจะไม่อาจคิดขบถต่อพระองค์ได้ซึ่งหนังสือที่มาเขียนปิดไว้ชะนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าจะเป็นอมของคงเบ่ง และสิ่มกวนแกล้งทรมาหวังใช่เราเจ้าข่าทั้งหลายคิดคลางแคลงร้ารงลานกันเองซึ่งพระองค์ใช้ยกทับไปนั้นคนะอยดำฤริดูให้จงควรก่อมโจจิงกล่าวอย่างนี้ทวนปิงขึ้นอย่างนี้พระเจ้าโจยอก็จึงกลับวันซึ่งท่านจะหาออ้ามเราไม่ให้ยกไปจับสุมาอี้นะ แมู้มาอีมีกำลังมากขึ้นและเป็นขาบอกจริงละ่ะทาจะคิดอตาิาการได้พระเจ้าโจยอตรักดังนี้โจกิงก็ทูนว่ะที่โรลนกัดชนิ้นก็ควรอยู่แต่จะยกกองทัพไปบักนี้แม้ซูมาอี้รู้ตั ว, วก็เห็นว่าเราจะทำการยากขอพลงจงคิดคนอบายว่าจะไปจัดแจงเงเสียเหรียญให้ซูมาอี้สคัญว่า นี่เป็นใจกำจัดซูมาอี้นี่เป็นใจไป จ, ไจับแจงเีืองเสี่ยงเท่านั้นซูมาอี้สําคัญว่าเป็นใจนี้จริงก็เจาะมาเฝ้าถึงนอกเมืองและโรงจะจับเอาตัวก็จะได้โดยง่ายเจอจริงท่วงจริแล้วก็จริงหรอกแต่แม่ยูกขาต้องคอยตามคือถ้าจะมองกันโดยทางแล้วถ้าซูมาอี้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาก็้อนดินนี้สมบัตินี้มันจะเป็นของใครก็ได้ ข่าวนั้นมีอำนาจพอมีกำลังพอเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ย พ, พี่เจ้าโจยยอยตราสว่าถ้าปอยชมาอี้ไว้มีกำลังมากเป็นขบกุกขึ้นจริงๆเนี่ยจะกำจัดอย่างไรนี่โจโจริงจึงต้องยอมคอยตามและก็ทูแม่อุบายให้ดังนี้พระเจ้าโจยยอยก็เห็นด้วยกับอุบายแผนการของโจโจิงเนี่ยก็จึงสั่งให้โจกิงเนี่ยจัดแจงฐานสิบหมืน่น ต่างกระบวนแห่เสร็จออกจากมีงฮุยโตประกาศไปว่าจะไปจัดแกงเงินเสเหลียงให้แก่สูมาตี จะมีนต่อไปว่าคือฝ่ายซุมาอี้แจ้งว่าพระเจ้าโจโยอยสเสด็จมาถึงเนึ่งแดนเมืองเสวียนต้อมีความยินดีซุมาอี้นี่ไม่ได้ดเป็นขบดนไม่ได้ดเป็นอะไรถามที่เขาว่านเมื่อทราบว่าพระเจ้าโจยอยสเสด็จมาเนี่ยก็พาทหารห้าหมืนออกไปรับสเสด็จคุนนานทั้งปวงก็กราบถุณพระเจ้าโจยอยดทีดเดียวว่านี่ เห็นแล้วว่าซูมาอีเป็นขบวบแม่จึงยกฐานออกมาเป็นอัลมาชนีพระเจ้าโจโยย่อยได้ฟังลูกยุเขืฉะนนั้นก็ยิ่งแครงเพลิดเพยินหนักก็จึงให้โจหิวคุณมหมันเป็นกองหน้ายกไปก่อนฝ่ายซูมาอีเห็นโจหิวยกมาก็สำคัญว่าพระเจ้าโจยยอยอะ่ะก็ตรงเข้าไปหวังจะรับสเสด็จโจหิวก็ร้องว่าแกซูมาอีทีเดว่า ท่านเป็นคุณนางสักซื่อมาแต่ก่อนพระเจ้าโจผีผู้ว่องรับก็ได้ฝากราชการแผ่นดินแก่ท่านเหตุชนไหนท่านจะคิดขโมยสอบพระเจ้าโจย่อยนี่สุมาจีผูไม่รู้ตัวเลยโดนข้อหาเข้าดังนี้ก็ตกใจก็จึงว่าข้าพระเจ้าตั้งใจทำราชการสนองพระคุณเจ้าโดยสุจริตเหตุไหนท่านจิงว่าชนี โจหิวกับราวงราวที่รัสดรเอาหนังสือเขาา้าห้กราบผู้พระเจ้าโจย่อยฟังทูประการก็ว่าเปน็นหนังสือสุมาอี้เขียนไปเปี้ยกล่อมชัดชวนให้มีคนร่วมออกร่วมใจร่วมแรงเพื่อทำการในครั้งเนี้สุมาอี้รางความนั้นแล้วก็จริงว่าถ้ากรณนั้นข้าพเจ้าจะไปเฝ้าพระเจ้าโจย่อยให้เห็นความจริงได้จงได้และสุมาอี้ก็ให้ทหารที่มาด้วยนดูแต่ไกล การที่สุมาอีานนำทหารจำนวนห้ามมืนออกไปรับสเสด็จนะก็เพื่อสมพระเกียรม่ได้มีความคิดขบดคบแต่ประการใดรอกแบบนี้ก็จะให้ทหารอยู่แต่ไกลและตนเองอ่ะลงจากกลังมา้าเดินเข้าไปถึงหน้ารถพระเจ้าโจอยอยสุมาอีถวายบังคมแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ทูลว่าเมื่อพระเจ้าโจผีเพื่อจะมีนาพระองค์ยังมีพระชนอยู่ เห็นข้าพเจ้าปนคนสัตย์ซื่อต่อแผ่นดินจึงฝากรจชการทั้งนปวงไว้ข้าพเจ้าขอตั้งใจทำรจชการธนูบำรุงพระองค์ไม่ได้คิดประทุษร้ายสิ่งใดซึ่งเป็นเหตุทั้งนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นกลอุบายของ ข, อ ง, ของเบ่งรือซุ่มกวนเพื่อทามาข้าพเจ้าจะขออาสาไปตีเอามือเสฉวนและมือกลางตันมาถวายแก่พระองค์ ให้เห็นในความศัตด์ให้จงได้สุมาอียกราภูมอย่างนี้ถ้าฟังความบ้านสุมาอียข้างเดียวก็อาจจะมองเห็นว่าดุซื่สัตย์สุจริตแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งดั่งหัวหญินหัวยหินท่มองอีกด้านนึงหัวหินได้ฟังสุมาอียว่านั้นก็ทูลพระเจ้าโจยยอยว่าซึ่งสุมาอียทูลอาสาชะนี้ ด้วยหวังจะตั้งตัวให้มีกำลังมากขึ้นขอพระองค์อย่าได้ไว้พระไทยเลยให้คืนเอาเครื่องสำหรับยกแะ ต, ตลาตั้งทั้งปวงเสียขอดซูมาอีออกเสียจะกที่คุ้มางเถอะหัวหิ้มกราบทูนอย่างนี้ต้องว่าถึกถึงคราชตาตกอับสุมาอีตกอับ พเจ้าเกยย่อยได้ฝันหัวหินปราทูนดังนี้เห็นด้วยกับคำพูดของหัวหินก็จึงให้ถอดสุมาอี้ออกเสียเป็นไพร์นี่ขนาดได้เป็นกุยย้นางกุ้ใหญ่ออมรษัาตราธิราชรั้รุ่รับไปแล้วต้องเรียกเข้าไปสั่งราชการฝากฝังการแผ่นดินทั้งปวงนี่มาบัดนี้ถูกถอดลงเป็นไพร่ ให้ไปทำมาหากินอยู่ณบ้านเก่าและพระเจ้าโจโยยอยนี่ก็ตั้งให้โจโหิวขุนพรุ่มแสกคุนทหารอยู่ร 3, ักษาเมืองเสเหลียญ น, นี่เป็นอันว่าพระเจ้าโจโยยอยก็มาจัด ก, การเมืองเสเหลียญสําเร็จเรียรบร้อยกศูมาอี้ลงเป็นไพรให้ไปทำมาหากินอยู่บ้านเก่าและพระเจ้าโจยย้อยก็ยกทัพ นำฐานตั้งปวงกลับเมืองฮุยโอันขา่าวรื่นนี้ความรุ่นนี้ไม่เป็นการยาก ที่มหาอุปราชแห่งมูลเสฉวนคือหกหลงขงเบงจู้กับเลียงจะรู้ไม่อยากที่จะรู้เพราะต้องติดต่อติดตามงานที่เคยทำวางแผมแลอรโบตลอดนี่ขงเบงรู้เรื่อง ร, ร, รู้ความบตดนี้ซูมาอีสิ่งอัมมาแรงหมดยกฐานดาาสัดมิเหลือเป็นไพรไปทามาหากินอยู่บ้านเก่านี่ ผมเบ่งเด็กแจ้งความบางนั้นก็ยินดีนะก็จิอจว่าบัดนี้โจยอยแพ้อมเราแล้วเราจะไปตีเอาเมืองลพบเหนือให้จงได้ครั้งเดาาียวเช้าคุณนางก็มกเฝ้าแหวนพร้อมกันผงเบ่นก็ทำเรื่องเรากราบูมิพระเจ้าเหล่าเสียนเป็นใจความว่าข้าไเจ้าขงเบ่งขอทุนได้สมัม ด้วยพระเจ้าเราปีทำการประแพ่นดินยังไม่ราบคับยังเป็นสามโกกนอยู่และพระเจ้าเราปีก็สวรรคตเสแล้วอันมึงเสชวนนี้ก็เป็นมุลน้อยจะ ต, ตั้งมั่นเป็นมูลหลวงขึ้นนั้นมิดได้ขอพรเร่งดับีทิอย่านอนเพลียบัดนี้คุณนางทัป้ปวงสุงมีสติปัญญา และกานที่มีฝีมือก็ตั้งใจสนองพระคุณโดยสุดจอยู่สิคยอยู่จีน่งมีฮุยหนึ่งตามอุ้หนึ่งสามคนนี้เป็นคุณนานผู้ใหญ่เอียทหนึ A ่งตามจินหนึ่งเกียวอ้วนหนึ่งสามคนนี้เป็นนายฐานเองมีฝีมือเข้มแข็งรู้การสงครามเคยทำสุดไม่ายชนะมาเป็นอันมา คนเหล่านี้พระเจ้ารอปีก็ไว้พระไทยนะับถือมาแต่ก่อนควรที่พรงจะปรึกษาหารือกิจราชการด้วยตัวข้าพเจ้านี้เป็นคนเข็นใจอยู่ณนะมืนลลำเอียงมาก่อนพระเจ้ารอปีพระบิดาของพระรงก็มีความอุสาหะาอุสาจะเด็กออกไปหาถึงสามครั้งรับข้าพเจ้ามาช่วยทำรจัการ จะผิดชอบประการใดพระเจ้าราบีก็เมตตามนีได้เอาโทษบัดนี้ข้าพเจ้าคิดถึงคุณพระเจ้าราบีที่สั่งไว้ว่าให้ช่วยธนบารุงแผ่นดินให้เป็นสุขข้าพเจ้าจะขออาสาไปตีมีโลกเอียงเชิญพระงขึ้นครองราชสมบัติให้เป็นใหญ่แต่ผู้เดียวในแผ่นดินพรา อ, อยู่ภายหลังจะมีรัชกิจสิ่งใด คอยปรึกษากับคุ้นางทั้งปวงซึ่งมีสติปัญญาตามยิ่งอย่างพระเจ้าเราปีเถิดมีหนังสือเรื่องราวที่ขุนเบ่งกราบทูลถวานี่ความสำคัญทีเดียวกล่าวไว้หมดทุกประการพระเจ้าเราเสียนได้ฟางดังนั้นก็จิงกลาดแก่ขุนเบ่งว่าท่านไปทำสึกกับเบ่งเฮก มันข อ, องผู้นกลับมายังไม่ทันหายเหนืยขอให้ท่านหยุดพักบำรุงทักแกลต า, าให้บริบรูรณ์ก่อนเถิดขุนบ่งก็จินถูอว่าอันมี้โลกเอียงนี้ข้าพเจ้าจะยกไปตีนะนานอยู่แล้วแต่เม่งเฮกเป็ น, นรกระโหลกกระนาบหลังจึงไม่ได้ยกไปโลกเอียงแบบนี้เม่งเฮกก็อ่อนน้อมอยู่ในอำมาจเราแล้ว จำเราจะยกไปตีเอาเมืองหูโตให้ได้จึงจะควรผมเบ่งกล่าวดังนี้จะไปเจ้าจิ๋วคุณนานผู้ใหญ่ทูมิึเในทีนั้นเด่คฟังก็จึงว่าแกผมเบ่งว่าเพราคืนนี้เข้าพเจอาพิเคราะหดูเรืกองบนเห็นดาวประจำเมืองฝ่ายเหนือมีรัสมีมาเรียอยู่ มหมาอุปราชก็มีสติปัญญาหลักแหวมรู้การทั้งปวงซึ่งจะยกไปตีเมืองหูโตนั้นก็จะป่วยการเสร็เปล่าเจ้าจิ๋วท่วงขึ้นดังนี้คนเบ่งก็จริงว่าอันจะถือเอาเรือดบงเป็นประมาณนั้นไม่ได้พิเคราะห์เอาการในเมืองลกเอียงนั้นเป็นประมาณถึงมากทาว่าดาวประจมเมืองจะเป็นอันตรายก็ดี ไม่มีค่าสุดรมตรายแล้วเมืองนั้นก็บริบูร์อยู่บัดนี้เราจะยกกองทัพไปตั้งอยู่ใ น, นเมืองฮันปงฟังข่าวราชการมีลบเอยนเห็นได้ทีแล้วเราจะยกเข้าไปเอาให้จงได้เจ้าจิวก็ห้ามปรามอีกเป็นหลายครั้งแต่โขนเบนก็ไม่ใด้ฟังก็สั่งให้หหวีฮุยจีบิหุย ต, งงตันอุเยทนตัจิเตียวอวนเตียวฮีเต้าเขงโตีเตียว ห, วเเยวหงเบงกงลงดินอิเดลิจวนวีสีเจ้าจิวมีคุณนามผู้ใหญ่ที่ออกชื่อคุณนายนายฐานคนํากัญออกชื่อทั้งหมด16คนพร้อมด้วยคุณนามผู้ใหญ่ทั้งหมดอีกรอยเศษ คนเหล่านี้คุ้มทหารอยู่รักษาเมืองเสฉวนและขุนเป่งก็จะไวบังคมลากลับมาที่อยู่จัดใจนายฐานสามสิบสามคนสาสสามคนมีอุยเอียนอุยเอียนหนีหรือหัวคนเก่าที่ยังเหลืออยู่ในอุยเอียนน่งเท่านั้นแหละต่อไปก็เป็นนายฐานอุ่ใหม่เท่านั้น เตี้ยวเอ็กองเป่งอีนปีนี้มาตายเรียกว่า t าตรงเตี้ยนี้เหล่าตามเป่งจีมาเจ๊กตัวหนิมงอีโกเสียงงอปั่นเตี้ยนี้เหล่าเปาเข้า g ินเป่ p ห้ำเหล่าปินกวหยงองจีเนียมอัน วกวรขีกวนเกล็ดพร้อมด้วยตังขวดกวนหินเปียวเป่ารวงเป็นสาสาคนจะยกไปเมืองหูโตแล้วให้ลิเยียมดูมรักษาค่ายที่ปาดานเมืองกัางต่างลูสส ก, กัดทางกางต่างวัลิเยียมขณะเมื่อของเบ่งจากดจะยกทัพไปนั้นเป็นเพศ่การเดือนห้า สรยจะสมัติในห้าปีตรงกับปีพุทธศักราช มาหาผมไม่ทีเดียวมาหาเลยก่อนที่หกหลวงจะเคลื่อนกระบวนการจูโงก็มาถึงแล้วก็เข้าไปหาผมได้แล้วก็พูดแบบตัวเข้าไปเจ้านี้ก็แก่แต่อายุและความคิด น, นั้นกําลังฝีมือจะรบพูดไม่ยังหานกล้าอยู่นี่จูรลงมาถึงก็คิดทีเดียวผมไม่ไม่ใช้ตัวก็เพราะเหตุนี้ความแก่เนี่ยแล้วก็ มันไม่มีอะไรเท่าหรอกที่คมแก่ถูกมู้ดถูกว่าแก่เนี่ยยังหฮองตงนั่นก็ตายแต่ก็เปล่งการสามารถแต่ในสุดตก็จบนชีวิตไปด้วยความถือตัวข้อนี้อยู่เหมือนกันแต่จะต่างกับจูโร่งอย่างไรจูโร่ ม, มาถึงก็อ่านอย่างนี้ตัวผู้แก่ก็แก่แต่ยิ่งด้วความคิดรองผู้รู้ผู้หญิงหันกล้าอยู่ผมไม่งเล็ฟานั่นก็จริงว่า เราไปปราบเบ่งเฮกครั้งนี้ม้าก็เสียม้าเฉียวไปคนหนึ่งม้าเฉียวตายเสียเมื่อครั้งไปปราบเบ่งเฮกนะเราคิดเส้นายนะหรืแขนหักไปข้างนึงตัวท่านก็สูงาอายุอยู่และเตลัวไปพลาดพลันในขณะรกจะเสียเกียรติยศในเมืองเฟชวน ใช้จูร่องออกรบในครั้งนี้ความจริงก็ด้วยการแตะนธนุถนอมทหารที่ร่วมการกันมาแต่ครั้งแรกนะสําคัญตรงนีสูงอายุแล้วเนี่ยจโร่งฟังของเบงหวังนี่เขจริงว่าเขาไม่เจ้าทําสศึกมาแต่หนุ่มจนอายุถึงเพียงนี้ก็ยังไม่เพียงพรำเสียเียให้ข้าสึกมูมิงได้เกิดมาเป็นชาติทหารแล้วพึงจะตายก็ไม่เสียดายแต่ชีวิต ได้ปราบกดชื่อไปภายมาก็เขาเ จ, จะขอคุมทหารเป็นทัพมาไปด้วยคทางจุลวงศ์อาสาเป็นทัพมาเลยขมเบงก็ห้ามถึงสามครั้งแต่จุลวงก็มิฟันด้วยความพัดดีขอไปด้วยจะขอไปด้วยตรงได้ในสุดขงเบงก็จริงว่าท่านจะไปด้วยก็ตามเถิด Okay. เราใ้เป็นจีไปด้วยจะได้ปรึกษาหารือกันแลยผลเบ่งก็มอบฐานเอกสิบคนฐานเลวห้าพันให้แก่จูรง่งจูร่งก็มีความยินดีราของเบ่งคุมทหารเป็นกองหน้ายกร่วงไปก่อนผลเบ่งนั้นก็เข้ามาทูลลาพระเจ้าราเซียน แล้วก็ยกฐานออกจากเมืองคุณนายผู้ใหญ่ทั้งปวงก็ตามออกไปส่งถึงนอกเมืองทางไกลห้าสิเส้นขุนเบ่งให้ทหารยกธงทิวตั้งแห่เป็นกระบวนทัพไปถึงเมืองฮันตงนายด่านเบ่งฮูโตได้แจ้งข่าวสึดดังน้นก็หลีอเอานี่ความทั้งสิ้นไปกราพู น, นแต่พระเจ้าจอยย่อบทบานี้ขมบิ่ง ยกทหารประมาณ30สิบนายมาตั้งอยู่เมืองฮันตงหรือตังฉวนนะและได้ให้จูรุ่งกับเปงกีคุมทหารเป็นกองทัพมายกรล่วงแดนเข้ามาแล้วพระเจ้าโจยอยเด็กวางรายงานข่าวสุดนี้ก็ตกใจก็ปรึกษาคุณนา้นต้องบอว่าสุดครั้งนี้ใหญ่หลวงนะท่านเฉินพูดได้ที่จะไปทำการช่วยรอกกบะฐานมืเซียฉวนได้ แหววหลินบุกแห ว, ต, แห ว, ต, หวแตุ้งีแหวตุ้งนี่ขุนพลรุมแทบดันเดิมของโจโฉนะนสิ่งที่เหลือดวงตาเพียงข้างเดียวเชื้อสายเขานี่แหววหลินแหววหลินบุกแหววตุ้งไปฟันนี่ก็คิดแทนซุ่มหองตนหองตนหองตงขุนพลเท่าแห่งเสฉวน ที่ได้ล่วงฆ่าแฮร์วเอียนผู้เป็นอาของตนตายเนี่ยแฮร์วเอียนแคนก็ขบฟันกรอกเข้าไปทีเดียวกราบพูกับพระเจ้าโจยยอยว่าแฮร์วเอียนผู้เป็นอาเขาแบเจ้ า, า, จาตายยังไม่ได้แก้แคนไอ้พวกเมืองเสฉวนบนัดนี้มีข่าวสึบมาชนิข้าพเจ้าจะขออาสาคุ้มทหารเมืองเสเหลียง ซึ่งมีฟีมือออกไปรบกับทหารวินเสฉวนเอาชัชนะให้จงได้แห่หวลิมมคนนี้ความจริงเป็นผู้มีสติปัญญา น, น้อยแต่โจโฉนักถือแห่วัปุ้นผู้เป็นพ่อโจย่อยก็นักถือว่าเป็นเชื้อสายสู้สัตว์อยู่ เมือ่อเฮียวลิมรับอาสาเนี่ยโจยอยก็มีความยินดีนี่พรด้วยความมีมีอคติอยู่ในใจนิดหนึ่งลำเอียงบอกเป็นสมัครพรรคพวกเป็นเชื้อสายร่วมแสร่มยากกลุ่มสกุลหนังเดินเก่าแก่กันมาครั้งพ่อของพ่อของปู่ก็จิงยอมด้วยความยินดีหาไม่คิดถึงความเป็นผู้มีสติปัญญา น, น้อยของแฮียวหลินไหมก็เกณฑ์ฐานเินเสีเหรียญตีมีตีมือยี่สิบมือ เคออกไปทำศึกกับขงเบ้งอองหลองอองหองขุนพมฟิกามีอีกผู้หนึ่งของฮูโตแต่ครั้งโจโจโจผีมาถึงโจย่อยเนี่ยอองหองเลยก็ทูเมแบบซึ้งใจแหวัวหิงเป็นแม่ทัพไปนั้นข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยทังนี้เพราะแหวัวหิงเป็นคนโทษโสมากและยังไม่เคยทำการศึก หรือก็มีสติปัญญาหลักแหลมจะทำการสิ่งใดก็ประกอบด้วยณอุมายต่างๆเอ็มแฮรหัวลินจะสู้ผมด้วยมได้แฮรหัวลินได้ฟังองลองหุณนายผู้ใหญ่คนหนึ่งมากล่าวขัดขันทาผ่านก็โกรธตวาดองลองเลยทีเดียวว่าเหตุใดท่านบัจรจารุวิเดชาชนิซึ่งท่านนับถือผมด้วยมีสติปัญญาก็จริงอยู่ ที่มดีจะรบพุ้นั้กอ่หารไม่รู้ถึงเราไมแต่เราจะไปสู้กับคงเว้กเอาชัยชนะให้จงได้แม้ไม่สมคำที่เราว่าเราจะไม่กลับมาเฝ้าพระ เ, เรจ้าเกยยอยให้เห็นหน้าอีกืุอไปเลยแล้วแฮลวินก็ลาพระ เ, เรจ้าเกยยอยยกทหารยี่สิมืนไปตั้งอยู่าเมืองเปียงหง เอียงหมอกแผลล่วีิ้ออกไปประท่าสุดฝ่ายขงเบนโยกออกจากเมืองฮันโปงมาถึงเนืองไกเอียงที่ฝันศพม้าเฉียวจุดจบของม้าเฉียวนี่มาได้มีระบุบอกไว้ชัดแจ้งแต่ประการใดนะครับ เมื่อครั้งที่ขนเบ่นยกไปปราบเบ่งเฮกแต่ไม่สราบรายละเขอียดเอาขเบ่นยกมาถึงเมืองแตกเหยียงที่ฝันศพมาเชียวขเนเบ่งมาตายกดแต่งเครื่องเส้นเข้าไปามับศพตามพมีนทหารก็เข้ามารายงานเร ว, ว่าบัดนี้เก อ, อย่อยให้แฮริง่งคุ้มทานมาตั้งกองรับกองทัพดุกองทัพท่านดุนัมมนเตงยงอ่าง วิเยนล่ะวิเยนวีเยนนี่ตอไปจะเป็นผู้บรบกบาทมากคนนึ่งอีเยนนี่วังแล้วก็ว่าแค่ควมเปเศษว่าแค่รวคนนี้นมีฝีมือกาาหาก็กินแต่อ่อนคความคิดและหาเคยทาการใหญ่ไหมขเจาะคิดโกอุบายขอทหารสักห้าพันยกโอไป ต, ต, ตอยู่นาตันบนคนจุนขฝ่ายที่ตะ ว, วันออกสัก จะไปเมือโลภเอียงจะส ก, กับทางทางนั้นเสียแฮร์ริ่งู้ก็จะต้องยกทานออกมารตาบตอบขบจ้าและท่านก็จะยกฐานปีกระนาหลังเอาเข้าตีเมืองเตียงอันแฮร์ริ่งเหนือกระมานก็จะทิ้งมืองเสียหนีไปมือโลภเอียงและขบเคี้ยยกติดตามเข้าไปตีเอามือโลภเอียงก็จะได้โดยง่ายมีวิเยนตอน เกิดอาสาเฉยๆจัดการได้แล้วออกความคิดวางแผนเหมือฮกหลงเลยฮเหลงผมเบ่งในความนั้นก็เราแล้วก็จีว่าความคิดทัานนี้หมายจะใช่ฝ่ายเดียวนั้นไม่ได้ท่านเ ด, ดี๋ยพึ่งดูดิแกทหารดินลกเหียงก่อนท่งท่านจะยกฐานห้าพันเข้าไปต้งสกัดกั้นอยู่วานกลางเท่านั้น กกลักววท่านมีลูกเองรู้อยูและก็ยกมาตีเกลนหมาปลอมทันเอไว้ล่ะท่านจะมีเสียทีเลยเราจะทําการใหญ่ครั้งนี้เพื่อเอาเลืออยู่ซึ่งจะเสียทีกค่ข้าสุดนั้นไม่ชอคงไม่ไหวอย่างนี้คือถ้าอุเย็นยกไปส ก, กัดหลังแทนเวลียนก็ยกไปอยู่ระหวา่างเมืองเพียงอันกับเมืองลูกเอียงเนี่ย ถ้าโลกเอียงเขายกมากินหน้าเขาบ้างละ่ะผู้เอียเ้ยนเด็กฟันเขาหลงว่านั่นก็จริงว่าแม่มหาอุปราชไม่ฟันขบเจ้าจะยกฐานตีประจานหน้าเขาไปแหวนลินก็จะออกรบป้านทางเป็นสา ม, มากถึงเมื่อเราจะได้เรียนโลกเอียเ้ยนก็เห็นว่าจะช้ า, าแต่แก่ฐานหน้าดวงก็จะรับความําบากนะ ของเบ้งก็คือว่าข้อนั้นทำกย่วิตกเลยลเราจะยกฐานประจันมากเข้าไปเอาใช้ชนะให้จงได้คุยเอียนเห็นคงไม้งไม่เห็นด้วยกับแผนการของเข็งฮันกีสีลูกเสือลูกสิง <c oughs> ก็คว่าแกแฮร์วิลลินฮานเบกันเบกตาแกแฮรวิลลิาเขากเจ้ากับลูกพุงสีง ขออาสาคุณทหารแปดหนึ่งเป็นทัพมาออกรบกับจูรุ่งฮันเต็กพร้อมด้วยูกชายอีกสีอาสาชนี้แฮร์รี่เบ็คฟันนี่ก็จริงก็เกิดเห็นว่าฮันเตน็กมีกระมังกล้าหารแล้วก็มีลูกที่แข็นแกงอีกสี่วนกันเนี่ก็มีความดี ก็เหมาะบำเหนรางวัลได้เป็นมากทีเดียวคือให้ก่อนเลยทีเดียวแล้วก็เกียนฐาน 8,000 มให้ตามที่ขอให้แหวนเต็กฮันเต็กก็แต่งตัวขี้มากถือขวานใหญ่ดั้มยาวมีอาวุธเขานะขวานใหญ่ดั้มยาวด้วยพาบุตทันศรยกฐัน 8,000 มออกจากเมืองพอไปถึงเขาคงเดินสัน กมาถหันไปกับบุตั้งเสกโวบมารำขวานดอกมา้าทาหารร้องด่าจู่เร่งเดียวว่าไอพวกโจรขับรตะแกรนีินเกิดมายมึงไม่รักทีนี้มนนันขนาดนี้นก็ไม่ได้ดนตูวจู่เร่งด้วยความดันั้นโกรไม่ได้ตอโต้โดการดันได้และโดยแทย์จิงจู่เ่งก็ไม่ใพ่ผู้ที่ชอบผูกะไรนักน โดนเข้ารบกับนเปกรดีันเอ๋งหุนันน่ะก็โคบมาเข้ามารบกับยูน่องแพนดิดาสเพลงเท่านั้นยูน่องขุนโคมเท่าออาทวนแทงถูกฮันเอ๋งลูกฉากสิงคนที่หนึ่งตกมาตายฮันเองตายแล้วฮนเอยว รมังมานะก็เป็นที่ประหารชีวิตจูรูมาแล้วนักจันมนไม่ถ้วนแล ะ, และเปลยเกาทานของจูโลนะสาหัสสาดกันเป็นทนะี่หนะกบากนีขณะที่จูรูขั้วมานีแต่ความจริงไม่ใช่นี้คือจะติดตามฮันเกียแล้วฮันเข่งขั้วม้าไาร่เนี่ยจูลูก็บทเกาทางที่สภายสะพังหลังโหนมา ลูกเกาทันพลาดสายหันกลับไปยิงทันทีด้วยความแม่นยาอย่างที่สุดและรูดเร็วเป็นที่ยิงขั้นเข็งไม่มีทางปะไม่มีทางปิดไม่มีทางลบเลกลูกเกาทันุรุงเมนถูกเข้าที่หน้าผาขั้นแข็งพังงายตกจากรังมาลงถึงแก่ความตายลูกจาสิงสีายสอง เอเินไปน่ือฮันเอ๋ออีกคนเดยวฮันเอ๋กก็โกรนะควบมากองนข้ามือดาบเพื่อฟันตูโลชูตูโล่โลงนั้นนี่จะใช้อาวุธปัดป้องกัประการใด้กคนเพลงบังคับมา้าตูโล่งบังคับมา้า น, น, นีพวกาตาประชิดตัวอย่าวดเรทิ้งดาบมันได้ก่อนที่จะยัว่วฟันลงมา ด้วยความรูดเร็วอันเป็นที่สุดด้วยการบังทับมาด้วยฝีมอเป็นที่ยิ่งกระท่บมาพุ่เดียวกข้าพราะทิศปีพุ่งทิ้งดบบแล้วก็เรยกเบลันเอวได้สำเร็จจับตัวทรมให้ไปาหารแล้วเบลก็ขวบมาเข้าไปในกองทัพหันเต็กขุนพลเท่ามันนี้ตัวแต่ผู้เดียวแหละตะลุเข้าไปในกองทัพหันเต็ง ความสามารถาหารถือขวานใหญ่นำยาวไปเนอาุธเห็นดังนั้นตกใจมือของตนสี่กล่าวว่าซึ่งหมดแล้วล่ะ่านเต็กตกใจควบมาหนีเข้าไปในหมู่ทหารแล้วก็ร้องว่ากูรู้คนนี้เขาเรียว่ามีฝีมือเข่นแข็งนะก็สมจริงทุกประการหานเต็กขวบมาตบับหนีพาทหารกลับเข้าไง ฝันตัวเองดังนันก็ไลติดตามไปแต่ผู้เดียวจู่ๆขพวกมาไลา่ติดตามฮันเต็กเข้าไปในกะองทัพของฮันเต็กแต่ผู้เดียวเนี่ยเต็งจีที่ขงบุญส่งให้มา ช่วเหลือช่วยทิดช่วแกไขจรุ่งด้วยเนี่ยอ่าผมไม่สเนเลยเตงีมันอยู่กับจูร่ด้วยเนี่ยเ็นจีเห็นดังนั้ น, นีิมันก็เป็นทีแล้วจูรุ่งตะวีก็เลยเตีก็ขับทหารให้ไปตามจูรุ่งเขไปไายฆ่าฟันานฮันเป็กล้มปลายเนมากทีเดฝายนันเปกเห็นจูรุ่งไลเข้ามาใกล้สจาานก็ตกใจ ถอดกอเกาด้วยจกกอบกาที่ดูสงสัสยมันมากทาไม่ราชนะถดการหนีอะอดเกาะทิง้งซะโดลงจากหลังมากวิ่งหนีเข้ามงลองนิ ด, ดูท่านกลัวขนาดไหนวาดมิดเพียนไรเนี่ยคือจะขี่มา้าหนีนี่มันก็ยังไม่เ ร, ออร็พอเลยกลมันทอดครอบทิง้งซะโดลงจากหลังมา้าวิ่งหนีเข้าเมือง แต่โดยทีแท้จริง n i e ตัวเองเนต้องอดกาเพ่งวิ่งนีเข้าเมืองหันเตะเข้าไปในเมืองก็เข้าไปหาแฮร์ริวินกรองให้เราเนื้อความไม่ฟังทุกประการแฮริวินไม่ฟัม่ก็โกรธจัดแยงฐานยกออกจากเมืองไปถึงเขาห้องเลงสันคือเกรมและโกรจุล้อแฮิวินสั่งกองทอัพไปเลยทีเดียว เมื่อไปยิงด้วยกองทับอยู่จูโร่เห็นดังนั้นก็ขีมาถึงทวนคาถัมพันหนึ่งออกมาจากค่ายแ ต, แต่แรกที่เจอจังกับกองทับของฮันเ e ็กนั่นจูโล่มีทหานเป็นกองหน้ามาเพียงจะมวนเป็นพันเท่านั้นห้าพันคนฮันเต็กนี่แปดมบัดนี้แอลนี่เกินทับออกไปเนี่ยก็มิได้กล่าวว่าปีมือแต่ก็ต้องไม่น้อย จูรงนำผามจำนวนพันเด็กเลยออกมาจากค่ายเลยแฮร์รวหลินนะ่ะแต่งตัวโอโถงนะใส่หมวกทองถือดาบยาวออกมายืนมาอยู่หน้าฐานพรันจูงงยกมาถึงแฮร์รวหลินนี่ก็ถือว่าตัเองลูกชาตเสือสิมือนะ่ะเป็นที่สมั่งอยู่ก็ชักมาจออกล็อันเต็กก็จีว่า จูร eh? uh, ุ segments, ่งฆ um. ่าบุตรข้าพเจ้าเสียถึงสองคนจับไปอีกคนเจ็บมากสาหัสอีกหนลูกทั้งสี่เาจะตองเสียไปเพราะไอ้จูรุ่งทูนี้ข้าพเจ้าจะขอแก้แค้นมันก่อนหันเต็กก็ขวบมาเอาลูกกับจูรุ่งทีเดียวลูกเพียงสามเพลงเท่านั้นหันเต็กก็เอาชีวิตของตนมาเสวยคมทวนของจูรุ่งซะง่าย ตายตามมูชายของปงไปสู้ด้วสามเพลงเท่านั้นจูโล่เอาทวนแทงถูกหันเป็กตกมาตายแฮร์ริ่งก็ถอยถอยฐานไปตั้งค่ายกลายเป็นแปสิเซนจโล่กับเตงกีก็พาฐานไล่ตามไปฆ่าฟันตานแฮรหริห่งขนาที่ถอยนะ่ะล้มตายอีกเป็นอันมาก แฮวิลลมืดเมื่อขอยไปขั้นตั้งค่ายได้มั่งแล้วก็ปรึกษากับฐานเบอว่าจูนุ่มคนนี้เราได้ยินมีชื่อขุนนาแล้วแต่ไม่เคยรู้จักหน้าแบบนี้เดม็นฝิ่อเข้มแข็งนะไม่มีผู้ใ ด, ดจะอ า, ศ า, ศาสาต่อสู้ได้เราจะคิดระการใบจึงจะจับชายแนะให้จงได้เพียมดู ของเทียโยกก็จริงว่าจูรุ่งคนนี้ก็ดีแต่ฝนมือหามีความคิดหม่มีเทียโยกเป็นที่ปรึกษาเก่าแก่ของโจโฉเ<ๆ>มื่อตายไปโจโฉเอาลูกมาเลี้ยงดูในตําแหน่งที่ปรึกษาคนสำคัญอีกเนะี่ยเทียบมือเนี่ยถือว่าเป็นมีสติปัญญาบอกว่าจูร่งก็ดีแต่ฝินือดีจะ่ินมืหามีความคิดใหม่ เวลาผู้นคอยเพืนเกณฑ์ฐานออกไปซุ่มไว้เป็นสองข้างฐานและกดยกฐานออกไปรบกับจิวลงและก็ทำเป็นผ้าแพร้หนีล่อให้จุโลงไล่มาเราเจ้าสารร้อมจกกับตัวจุโลงให้จงได้แหวนเมื่อฟังแผนการของเทียบูดังนี้เห็นด้วยก็ตีฟางให้ตัง้งยีชีเจ๊คคุณหมายคนลกสามหมื่น ยกไปสุ่มสองข้างานี่กองที่จะบทกับยี่จูรงครั้งเวลาเชา้าแฮร์ิวิลล์คอยฐานตีมาลอโฮรองยกไปค่ายจูรุงแฮร์วิลล์ออตัวเองออกเป็นเหยอเอื่ร้อยเอายจูลุงกับเตจีเห็นดังนั้นกขึ้นมายกหานออกจากค่ายเตจีเห็นฐานแฮร์ิวิลล์ทําผ้มไอ้เต เนี่ยผมได้ให้เปงจีมาเนี่ยก็เพื่อจะได้ช่วยคิดแก้ไขตังางๆนานาประการน่ะเปงจีนี่ออกมาหนิเห็นหน้าแล้วหรือไม่ทำองอาจเหลือเกินก็พ่ายแท้มายับเยินแล้วหนีบัดนี่มาทำเก่งกลับหนักหนาเปงจีก็คิดสงสยัยก็ถึงว่าแต่จูงมงมาเอราวานเนี่ยทหารเนี่ยหวลิมน่ะเสียทีแกเราจนปลายเป็นอันมาก ยังไม่เปลี่ยนฟีมือยกมารบกับเราหรือทํำองอาจะนี่อีกล่ะขบเจ้าคิดว่าเกลือกว่าแอร์วริิมจะทําปมอุบายลวงเราขอให้คุร่ท่านดำริโดยจงควรก่อเป็นกีผู้นี้เป็นผู้มีสติปัญญาผู้นิ้เนเงเป็นผู้อารมณ์ดีผงไม่เคยใช้เป็นผู้ไปนินการตั้เจรจ า, าความ และบันี้คนไม่ใช่เป็นจีมากับจูร่งเนี่ยก็รู้อยู่ทิศ ท, ท, ทิจูร่งพูดเท่าเนี่ยสูงนะจะเอาอะไปไปขับได้ก็ถึง้องใช้ ค, ชคนหนึ่งเป็นจีมาเอาเป็นจีพูดตาดับนี้แล้วนี่ขอท่านเด็กดูจงควรก่อนจูร่งเพจริงว่าแหวหัวหลิงเป็นเด็กอุดมายังไม่หายเปลี่ยนน้ำนมอันจะคิดเป็นโกงบายเหมือนท่านคิดมันไม่เห็นด้วย วันนี้เราจะชนะจับไว้ฮะหอีไม่จงได้จูร่งกล่าวดังนั้นแล้วก็ควบมาเข้าตะลุรบกับแค่วหลินจูร่งก็หกมืเข้าไปจะรบกับแฮ่วเอี้ยงคแคร่หวลินแควหลินนคัแค่หวหลินมูแคว่หัวตุ้งกห้งแคร่หัเอียง แต่ว่าแฮร์ินีเข้ามาลักษณะของแม่ทัพใหญ่แน่นอนระองมีทหานเอกทารรองแต่ปาน น, านมามาここคนนในกลุ่นทานเอกของแฮคือหล่อซุยหล่อซุยเห็นจูรุ่งวมาเข้ามาในนั้นหล่อซุยก็วมาปรับมาแฮร์รนินอกไปคือแฮิ่งแม่ทัพไม่ต้องออกรกันรบเองหล่อซุยก็เข้ารบ ก, กับจูรงประทอาวุธกันได้สามเพลย รอรก็ทำเป็นแพรชักมา้าหนีตามแผนที่วางไวแล้วนิดจะร่าจูร่กรไปปดับจูรก็ควบม้าตามเป็นจีเป็นจีก็ควบม้าตามไปด้วยเหมือนกันนายขานเคของแลิเนี่ยปคนเห็นดังนั้นก็กันว่าแหนวิลิมหนีไปก่อนคือผู้เป็นายับนี่เขาต้องรักษายอย่างมากทั้ง8ปดฐานอก เขาหนุนร้อมรุกจู่ล่องกับเป็นจีนายทหารแปดคนมันลุแล้วก็ทําเป็นช่าม้าหนีจูล่องกับเป็นจีก็ขวบมาไล่ตามล่วงเกินเข้าไปล่วงเกินเข้าไปในที่ที่ซึ่งเขาก็ทากํานักขไว้ก็ดีูเสียงทหานไปม้าล่อคือทั้งเสติเต็งจีก็โตกใจกลัมามาจะหนีชีเจ็ทจเห็นดังนั้น คือมีทหารของแอลมาทีก่กำลัสู้อยู่นะตังีกับที J เนี่ยคุมหารคนลสาห่ไปสู้อยู่สองข้างทาง น, นะทีเจเก็คมบานฟังสกดัดออกมาทางด้านข้างขวาดังดีก็สกดัดออกมาทางด้านข้างซ้ายจนเปงตก็ ต, กตกอยู่ในวมร้อมของข้าศรรึกจานวนหกหมน ทั้งีชีเจกสามารถล้อมจูรุ่งและเป็งจีไว้ได้ไดจูรุ่งเป็งจีก็รบป้องกันตนเองเป็นสามารถแล้วก็การเอาจูุ่่งเนี่ยคือว่ฝ่ายรอมนันก็รุกกระห น, น่ำจูรุ่งเข้าไปท่านเชิญเขาขั้นฝ่ายทิศเหนือจูรุ่งเห็นว่าทหาร ท, ท, ทั้งขทิศเหนือเนี่ยเบาบางอยู่ก็ฟันฝ่าวไปทางนั้น ความจริงเป็นจุดรสงค์ของเขาเช น, นั้นทาหารของข้าศึกก็ร้อมกันเข้ามาร้อมกันไปถึงกลางเขาแหวัวลิ้มันคุ้บหนอยู่บนยอดเขานู่นเอาป้อนฟีราทอดไม้ทุ่ถึงลงมาเปน็นมากจู่งนั้นก็ไล่ฆ่าฟันทาหารแหวัวลิม้มตั้งแต่เช้าจมค่ํานี่จูโงยอดอาหารเสื อ, อวัยชราแล้วตอนนี้ รบอยู่เช่นนั้นตั้งแต่เช้าจนคำ่ำก็ไม่อาจจะออกจากที่ร้องได้จูง่เหนื่องสิ่งกําลังเข้าก็ลงจากหลังมา้านั่งพักอยู่แอบเงี่มเซราอยู่คือไปติดอยู่ที่ภูเขาละก็แอบพักอยู่ตรงนี้ขาสุโก็เข้ามาไม่ได้จนกระทั่งคำ่ำจูโลงหลบซ่อนกายอยู่เช่นั้น กระเห็นเดือนขึ้นทหารที่อ้อมเึงก็จุดพคมสว่างขึ้นทั้งสด้าน4ทิศเอาเกางองทัพระดมยิงเข้ามาดังหาฝนแล้วก็ร้องสำพักมาว่าให้จู่ร่งเร่งออกมาหาเราเราจะไว้ชีวิตจูนล่งสิงเท่าแต่เขี้ยวเล็บน้่อ่อนเลยเดย็ยินดังนั้นนะโกรนะจะให้ออกไปคำมับมแต่โนบีจะไว้ชีวิตให้ มีแต่อูซีจะเอาชีวิตมึงจูรง่งพอพักไม่หายเหนื่อยพราอมีกําลังขึ้นหน่อยรบแต่เช้าจนจนค่าเลยวเจนี่แต่แตะลุยทุ่งเป็งยาง ม, านะมาันหนักหนักว่านี่เป็นยิ่งนะบันนี้จูร่เลียวกาดได้พักบ้างแล้วแต่ว่าวัยอายุสิมันต่างกันแต่ยางนั้นก็จูร่งจับพลังเป็นขึ้นหวังมาออกไล่รบทหารที่รออยู่ทั้งสี่ทนี้ ฐานบวงก็ร้องกระชั้นเข้าไปจู่ลงซึ่งความคิดแล้วนบับหน้จนแกปัญญาซึ่งกำลังที่จะฟันฝ่าหัก่าสึกออกไปได้จู่ลงเงนียนมากขึ้นไปดูท้องฟ้าหนุนถอนห้ใจใหญ่แล้วก็รําพันลงมาว่าเราทำสึกมาแต่หมึ่นเป็นแกถึงเพียงนี้ก็ไม่เคยเสียทีแกพูดได้ใครมี เห็นเราจะเป็นอันตรายเสียเป็นมั่นคงจูร่งโปลงอย่างนี้เลยในขณะที่จูรุ่งอับจนอยู่นะินเขาข้างทิศเบือือคงดื้นเสียให้เตียวเป่าเตียวเป่า ลูกเดียเด๋ยวห้ไอเตี๋ยปลาอุ้มหานห้ันรวบตามจูร่นมาเตี๋ยปาแบบตามมาแล้วก็รวบจูรง่งออกสูยุทธภรมิแบต่อสู้กับองครับแหวหลินและมัดนี้จุรง่งตกกินนี้มร้องก็ได้รู้ข่าววิจารานติดก็จะรับรายไปเตียวป่าติดตามมาเห็นทหารแหยหวหลินล้อมจูร่งเข้าไว้แล้วก็เห็นขีดเย็ออกมาสกัดทางอยู่ เตียวเป่าเหลือ เ, เ, เอนื้อเตียวหุยสิงุ่มกำลังลําพองทีเดียวก็ควกมาตะวีเข้าไปมิดทวนยาวสาวาสองศอกของบิดามีเตียวเป่าในทวนของพ่อเอาไว้เป็นอาวุธกู่มือตนเตียวเป่าเข้ารบกับทีเจ็กและก็ไม่ต้องทันได้ได้นัดเพลงอาวุธละเข้าประทับกันเตียวเป่าก็แทงทีเจ็ก ตกจักหลังมาตายแล้วก็ป่ายก็ตักศีษาชีเจ็กูกคอม้าเข้าไว้มีเป็นการเกิดทำให้ขาสึกวันวาดเป็นที่ยิ่งละ่ะเห็นตัวนายซีษาห้อยคอม้าอยู่อย่างนี้นี่แล้วเตียเบาก็รบฟันฟ้าเข้าไปหาทีดรเลยที่ร้องมูมฝ่ายู่ร่นรบกระนำจนย่ำแว่จนจะสิ้นเรี่ยวแรงกำลัง จนกระทั่รงรำพันออกมาว่าเราทำศึกแต่หมุนจนแกถึงเพียงนี้ก็ไม่เคยเสียทียกับผู้ใดครั้งนี้เห็นเราจะเป็นอันตรายเชื่อเป็นมั่นคงในขณะที่จูโรมอับจนอยู่แล้วนั้นก็ยิ่เสียงทาหารโกรธขึ้นมาก็พารู้ในว่านี้คงจะมีผู้ใดใครสักคนมาช่วยตนเป็นแม่จูโร่จะมีความมีนะักก็มีกําลังใจตรลอยู่ในวงล้อมอั้จนกทั่งเตียเปาวว่าแหวกวมล้อมเข้ามาถึง จูร่องเห็นเตียวเปาวเขา้าฉะนั้นยินดีเป็นที่สุดเตียวปาวผู้ปลาก็มาหาจูร่องแล้วก็บอกว่าท่านมหาอุตราเห็นว่าท่านชราแล้วกลัวจะเสียทีเกะฆาสิจึงให้ข้าพเจ้าคุ้มทานห้าพันยกตามมาช่วยท่านจูร่อิดีใจที่หนิงนะก็นี่แหละอบคํำประกาศไปละรวมกํา ล, กลังเป็นสองจูร่องเปียวเปาวพร้อมกับทาัารจำนวนพันนี รถตะวินแวกอยากวนล้อมออกมาทางน้านทิศตะวันตกก็เดินอ้วนหินอ้วนหินลูกชตาเสืออีกคนหนึ่งวิ่งลูกอ้วนอู ง, ง่ายขัม้ม้ามามือมือหิ้วศีษคนฟันฝ่าเข้ามาถึงว้นหินก็กระโกนบอกแต่จุโรว่าถ้าหมาประหลัดให้ข้าพเจ้าคุ้มหนันห0 0พันยกมาตาม่านก็อพอนีทังยีทหารแล่ว น, น, นี้สตัดทางอยู่ เขาจะจบเตาทิษ ส, สามันมานาบันี้มหาปราชญ์เขาจะยกปต่ามาช่วยทำจู่ลงในฝังแดงนันมีการบอกเตียวเปล่ามีตากฟิสาิาส์ชีเก็คได้มีในกองคนสำคัญคุณผาน3 0ม0มแล้วก็ล้นินตากิสิกส์ตังดีได้ประคุณผานสามห่นนะครับในฐานคนสำคัญคุณผานอีก3 0ม0 0นเนี่ยเสียหัวให้กับสองูกชายสวยนี่ จูรลงได่ฟังเช่นนั้นได้เห็นเช่นนั้นก็จริงว่าสึ่งหลานทั้งสองมาช่วยไว้นี้ก็ดีแล้วและแบบนี้นี่คือที่เราไม่คิดถอยเลยคิดสู้มู่เดียวทั้งที่รคมาอยัางยาแย่ทั้งวันจนเพื่อนดูอบบขนาดนี้ตอนคืนอีกทั้งคืนนี้เนี่จุงก็บอกว่าที่หลานทั้งสองมาช่วยเลยดีแล้วเมื่อเราคิดอนช่วยกันจับด้วยแฮรี่ไม่ได้ ก็จะมีความชอบไปนั้นมากเดียวเปล่ากับปูนหินในความจุรุ่งขุนพมลรุ่มพ่อกล่าวดังนั้นเนี่ยก็โอนด้วยก็กิยโยทหารตรนมือมี่จะไปบนภูเขาจะจับตัวแห่หัวหลินจูรุ่งพวกมาจะไปกลับไปหาทหารของตนก็พอดีเลยพบเต็งจีเต็งจีนี่เต็งจีลุบลุมร้อมไปได้นี่ออกจากที่ร้อมคุณทหารมาจะช่วยยูร่งเหมือนกัน คิดว่าเปเ้าจีวเราทำสุดมาแต่ครั้งกระเจเราปี ก, ก็ไม่เคยเอาประโยอะแก่ผู้ควรหรเมื่อเสียทีแพ้รู้ไอแฮรวัวินไอลูกเล็กไน้ยหากว่าได้เปลอือกเปล่าอวนหินหลานเราต้องสองยกมาช่วยเราจึงรอดแต่ความตายบานี้เปืเป่กับอวนหิน ก, ก็ยกตามแฮรวัวินขึ้นไปบนภูเขาตัวเราคงแก่เนี่ย จะลากกายตามขึ้นไปแก้แค้นด้วยจนได้เล่าจูน่งกับเตจีก็ิีโยกฐานตามขึ้นไปเป็นอันว่าแบบนี้จูน่งเตจีผมจับวงร้อมเลยองนี้แรงขนานั้นน่ะเจาเป่าควรยิ้มกดน้ากาลังขึ้นไปบนภูเขาแล้วจูน่งเตจี ย, ยกตามขึ้นไปใน่ำคืนนั้นแหละ ไม่ต้องหยุดไม่ต้องพักแล้วนี่เห็นว่ากองทัพจีนเรียกรบมาแตัเชา้ชาเช้าจนเย็ยนเย็ยนจนามำค่ ำ, ำจนกั้งคืนแบบนี้ยกฐานขึ้ไปบรรจบกับเตีอเปล่าหินก็พบกล่าวเลยว่าทา น, นมีจำนวนมมื่นเศษละ่ะหมื่นเศษก็แยกเป็นสามฐานรบเรานาข้าวฟันฐานแหวนหิ น, นล้มปายเป็นมันมากราฐานจีนง่วราวฐานหินราวานที่เตือเปล่าทั้งหลายเนี่ย บางก็มีกาลังใจเป็นที่ยิ่งและก็ได้ตัวนายที่รบจากการ น, นี้หวาดวันบานควาาตายเลยเช่นี้ทุกคนก็มีกาลังใจให้เหิมและด้วยความแข็งที่ถูกรบถูกรุกกระหน่ด้วยมีขึ้นบปข่าควานฐานแมวหิล้มตายล้มมากมายทีเดียวแว์หัวิน hey, เ well, ห็นก็ตกใจบัตนมีมจะแก้ไขประการใดก็พาฐานคนสนิทประมาณ100ร้อยเศษลงไปทั้บ้านหลังเขา ไปทางเมืองลำหังทหารแห่หัวหินก็ตระเวนกองทัพแห่หัวหินทันวงเนี่ยแตกกระจายไปเลยต่างคนต่างคนหนีเอาตัวรอดกันท้าเดียวตัหวหินกับเตียว่ามันไม่ลบลัรีบยกฐานตามแห่หัวหินไปแห่หัวหินเข้าเมืองลำหันได้ก้ยขัปิดประตูเมืองคือรักษาหน้าที่เชิงเทไว้เป็นมั่นคง เป็นอันว่าแคร่วงเอาตัวรอดพ้นจากความตายจากสามทหารพะการ น, นิ้ไยได้สำเร็จฝ่ายเกลียวเาอ้วนหยินยกานติดตามไปนะก็เข้าร้อมหดีไปสองบานครั้งจีน้น่งเป็นกีนยกตามมาถึงค่อยฐานร้อมไว้เดยรอบ ก็ล้อมเรีลำอันไว้อยู่จะนั้นถึงสิบวันก็มีได้เห็นแหรหัวหลินเรียกว่าคุณมีเชื้อสายสกุลสูงที่นี้โยธานมาชื่อรบด้เลยก็พอดีทหารเข้ามารายงานว่าปักน้มหาอุปราได้เกิมให้สารอยู่รักสามเมือนการเขียนเืองเอียงเป่งเงองตีเสียสามร้อยมิลล ผิดปีได้เนี่ยก้อยหารักษาอยู่แล้วตัวมหาอุตราชนั้นยกกองทัพมาจัดถึเมืนงลางค